อัดเนมาหลายปดหลายงานก <Hi! S 1> ็หลายองค์อยู่ด้วยกันเพราะกรรมฐานเกี่ยวกับเรื่องความสามารถคียไม่เหมือนทำัวยัก์ปีิทัติกรรมฐานปฏิบัติเอากินประจำไม่ว่าอะไรทำกางนั่นจริงทำหลักทำจริงความสามารถคียท่านกูไว้แล้วอาหารและธรรมสุ สมรรถภานี้จิตนั้นสมรรงภาพที่สันติสมรรถาพของการมุยันสันติที่เยว่าเคยู่นางปิา้านิ้วหรือห้านิ้วประชุมก็พร้อมเพียงการประชุมและเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงกันปมจิตที่สนกับมจนี่เป็นข้อในเจ็ดข้อในงนี้ครับ อานนี้เป็นปเพื่อความจเจริญฐายเดียวต้อมีมความเกิดดังเดินตามหลักสาระเนื้ทธรรมไปหาเยือธรมก็ถูกต้องมีความสบสุขอยู่ด้วยกันเป็นฐานสุขหนึงน่งในระวัลเดียวกันเนื oh. ้อธรรมผุด ชัดๆลงท้ายลงท้ายบอกนั่นไปเรื่องเดียวความเป็นหนึ่งเดียวกันทีนี้กีฬาวายช่างมัธยปเป็นไปพวกความเป็นหนึ่งเงดียวกัน การูหู้การูเป็นไปเพราะของเป็นทางเป็นัปเพรอเป็นแปเความหนักแน่นความขรุระการูรู้การูสร้างข้าวาอิวาตอิวาไดสร้างอียะเอกีภาวียะภาวียสร้าง ยราเป็นไปเพืความเพลิดเพเพียงสังขีเป็นไปเพื่อความเป็นอนื่นเดียวกันเป็นเอิกีพาวาทำตรงนี้เป็นของเก่าเมื่อไหร่กปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามทำตรงนี้มันจึนเงเลอเลอะเถ่อถ้าปฏิบัติตามทนตรงนี้ที่ไหนตัณหาจะเพิ่มจุ้อ่อนกำลังไปที่ไหน ออกกันแต่ผู้ปฏิบัติตามศาสนาเลี้ไหลเลี้ย ว, ห, ยวหลกไปเพราะผู้ปฏิบัติศาสนาเท่านั้นศาสนานทำอย่างคงเส้นคงวา่าทั้งที่ว่าอันนี้การอย่ด้วยกันหลายองค์กิงต้องระมัดวะวังพยายมามไยา่ากดการแสดงออกต่อ ก, กันอย่าให้มีเรื่องของกิเลแสแทรกออกมาหรือเป็นหัวหน้าออกมา คามมีอำนาจในการเกี่ยวข้องกันจะเป็นการกระทบกระทุกงทำให้แตกรา้าวบางทีอย่างน้อยก็แค่ละคายไม่เป็นอารมณ์ของใจทอนางไม่หลุดนะหลักใหญ่กันนั้นกางองต่างมีธรรมอยู่ในใจมุ่งอัดมุ่งธรรมมุ่งเพื่อความถูกต้องไม่ยอมให้กิเลสประเภทเห็นแก่ตัว ซึ่งฝังสรงอยู่ภายในจิตใจนั้นโผล่ออกมาทําลายธรรมะมันเป็นของดีดของดีต่อที่จะรู้ได้ต่อมันก็ดีเรารักษาได้แจะทําไมจะรักษาไม่ได้เพราะสิ่งนี้เป็นของหยับหยาบระหว่างเพื่อนสูงอยู่ด้วยกันพูดใครถูกใครผิดนั่นก็ทราบกัอนอยู่แล้วเพราะเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันพูดอรกมาผิด ทำมาว่าผิดกับหลับทันหลับยังไงมันต้องทราบก่อนเมื่อทราบกันแล้วก็ตั้งคําัเตโตวาเรนี้การต่อนาซึ่งกันเอกันซึ่งเคยได้ประกาศจิตทุกปีวันมหาปรมนั้มันก็ตักเตือนสั่งสอนกันได้สมกับที่เปิดช่องโอกาจให้ซึ่งกันเอกันการกา่าวไปเฉยๆตัดไปว่ากล่าว มันก็เห็นมีประโยชน์อะไรนอกจากสติกับความเป็นห่วของพระผู้ศรัหาสาหรับถิ่นเวลายอย่างความประการความเป็นของพระไม่แต่เป็นความจริงของพระผู้มุงธรรมการวาวาวาบวชเมือ่อเรามุ่งต่อต่อธรรม อยู่ด้วยดีแล้วจะไม่มีความเมดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความทุกข์เหมือนอย่างโลกโลกทั่วทั่ ว, วไปเพราะนั้นมันร้อยแปดกคำประการที่จะเป็นไปให้เกิดความเกิดเพื่อความกุศลกับเทวอนไม่ว่าการหายอยู่คุการซื้อการขายการกิจการงานทุกด้าน เพื่ออาชีพนอกอนั้นแล้วยังต้องการความเต็นผู้เรืองอำนาจมันต้องกระทบกระเทือนกันหลายแน่หลายกระทงเหลือประมาณที่จะพันแต่ถ้าลราพระเรานั้นไม่มีแตมนึ่งธรละาสามนึ่นนาาาถอดหนึ่ง ถ, ถอนสิน่งที่เป็นเชื้อเป็นเหตุที่ให้แสดงความเป็นมาอย่างที่กล่าวเรื่องของโลกนั้น เรถอนทุกวันทุก็ทุกเพื่อการถอ น, ถอนไม่ใช่ทุกเพื่อการสังสมที่จะเพิ่มทูนความทุกข์ขึ้นมาอีกเป็นท่านที่สองความทุกข์เพราะการสังรวมระหว่างการบังคับบรรชาจิตใจการกดขี่บังคับหรือปรากปราบกิเลสแต่และประเภ ท, ป เ, ทเป็นความทุก ธรรมดาของผู้ที่ก้าวพ้นจากความทุกข์ต้องต่อสู้กับทุกตนเองก็ย่อมได้รับทุกข์บ้างเป็นธรรมดาแต่ทุกข์อันนี้ไม่ใช่ทุกข์เพ่อกิลกเลสเกิดขึ้นเพิ่มพูมความทุกข์ขึ้นให้เราทุกข์นี้เดินไปเพื่อทําเกิดขึ้นเพื่อความสุขใจเราพระพุทธเจ้าก็ส่นทุกข์ให้เห็นเป็นคติตตัวอยา่างใหญ่ มาด้วยดีแล้วไม่น่าสงสัยหากพระพุทธเจ้าไม่ต่อสู้กับทุกจนผ่านพ้นทุกทั้งทุกภายนอกคือกายทั้งทุกภายในคือประทายแล้วขอเป็นศรรษษาสตาสอนโลกตั้งหลายไม่ได้มนาสสา ว, วก็เช่นเดียวกันเป็นลาดับลำดหาหมาล้วนแนตั้งแต่ผู้เด่ แบกทุกขามทุกต่อสู้กับทุกอย่างสมบุกสมบันในการดาเนินเหมือนกันแต่ผลที่พึงได้รับของท่านอง น, นั้นสำเร็จโซดาองนี้สำเร็จทะชปีตาคาองค์นั้ทะทะาานสำเร็จอนาคาองค์ น, นั้นสำเาร็จอาหารอาหารดีที่นั่นที่นั่นสุดท้ายก็สำเร็จอาราญอ า, าหารแต่เมื่อสู้ไม่ถอยความทุกข์จะต้องมีโดยนต ตั้งแต่เรื่องแรกแห่งงานเพื่อรู้ถอนกิเลสการงานอย่างอื่นไม่ค่อยมีสิ่งต่อสู้แต่การงานเพื่อรู้ถอนกิเลสนี้กิเลสนั้นแลเป็นตัวต่อสู้ทานดีไม่ดีเราสู้มันไม่ได้และยอมรับกลดอุบายทั้งมันที่หลอกลวงรือขับกล่อมเราให้หลับสนิทไปด้วยโดยไม่รู้สึกตัวดีมากต่อมาก ด้วยเหตุนี้จึงส้งใช้ความปิิญพิจารณาในการประกอบความเพียรในยาบทต่างๆรัติเป็นของสำคัญให้มีอยู่กับตัวเสมอไม่ได้ลึก อ, อยู่กับธรรมบทใดกับอาการใดก็ให้รู้สึกอยู่กับตัวท่านเรียกว่าสัมปัสยัญญานี่ก็เป็นทุกข์อันหนึ่ง พคอพมบังคับไว้คห้สติอยู่กับตัวรู้อยู่กับตัวให้ความรู้มันย้อนเข้ามาสู่ตัวก็รู้สึกตัวสติเป็นเรื่อนเหนี่ยวรั้งเหนี่ยวรัง้รงความรู้ให้ย้อนเขา้ามาสติไม่มีความรู้นั้นส่งไปข้างนอกตัวก็เหมือนตุกตาไม่มีความรู้สึกอนไรความรู้สึกเหล่า น, นั้นไปอยู่ภายนอกทั้งหมด ความประยุกตนอกของความรู้สึกนึกคิดต่างๆสำคัญมั่นหมาต่างๆเพราะไม่มีสติเป็นเครื่องคกำกับรักษาหรือฉุดลากม า, มายอม่อเป็นอันตรายต่อจิตใจเพราะไปกว้างหาแต่สิ่งที่เป็นทิก์เป็นภัยเข้ามาพรองสานจิตใจของตนอยู่ตลอดเวลาไม่มีคำว่าพิเกนี้อ่อนแอพิเรนี่ขี้เกียจ ไม่สัสมตัวเองคำเหล่านี้ไม่มีแต่ผู้บำเป็ญธรรมยอ่ยอมมีอ่อนกำลังเนื้อมีคำเนลวในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นกิเลสไม่มีคำว่าอ่อนจนกว่าวัชพิปันดาัตตาความเปี่ยนทั้งเรามีความแก่กล้าขึ้นไปเองแล้วสิ่งที่เป็นค่าสึกซึ่งกำลังรบกันกัน ห้ามหันกันอยูน่นับตกลดน้ อ, อยลงแต่นี่นบอกกิเลสถอนกลังการน อ, อนกำลังของกิเลสนั้นอ่อนด้วยอำนาจของธรรมเป็นเครื่องตกต่อฟาดฝันโดยลําหนัดเจินกระทั่งกิเลสสลายไปหรือว่ากิเลสตายลงไปจับใจเป็นล้มหนักยงความต่อสู้ธรรมก็มีน้อย เจนกระทั่งไม่มีอิเลสเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยจิ่งที่จะมาเป็นปฏิกริยาต่อจิตใจให้เป็นค่าสิบต่อธรรมซึ่งทำกับตนก็เป็นอันเดียวกันเป็นค่าสิบต่อตนด้วยไม่มีเราอยากให้เพื่อนได้รู้ได้เห็นและอยา ก, ยากพกอยากเข็น ตามความมุ่งหมายของเราที่อุตส่า์พยายามอบรมสั่งสอนหมุดเพื่องมาเป็นรในนายและทุ่มเทกำลังลงทุกท่าเพื่อหมูเพื่อนไม่ว่าทำขั้นใดใดไม่เคยมีปิดบงัง ล, ลิรัตตลอดยิธีการดําเนินส่วนไหนที่พอจะนํามาเล่าให้ฟังหรือพูดให้ฟังได้เพื่อเป็นคติต่อมเพื่อนเราพร้อมเสมอและเคยพูดมาอยู่เสมอก็ก็อยากเจ เห็นหมู่เพื่อมีความเข้มแข็งต่อความภาคเพียงเพื่อผลเป็นที่พึงใจดังทูบ้าจารทั้งหลายที่ท่านได้รับไปแล้วได้เกิดขึ้นกับตนท่อความคิด ม, มีความเช่นนมมวดกวดขันตัวเองเพราะความเขียนกล้าเพราะสะติปัญญาดีประครองตนจะโดยลต้องการอยากเห็นอย่างนั้นเพราะได้พิจารณาทดสอบมาเป็นลําดับํานาตั้งแต่คั้อยู่งแรกอย่างการปฏิบัติธรรม พอทําเข้าสู่ใจคือความสงบเพือกัวเองก็เห็นคุณค่าขึ้นทันทีแปลหนึ่งว่ามีน้ําหนักมากกว่าความสุขใดที่เคยถ่านมาแล้วเั้าไหร่เพียงขั้นความสงบเท่านั้นมันก็ยังเห็นคุณค่าของตัวเองและเห็นโทษ่งความฟุ้งซ่านบุบบายเท่าไหร่ยิ่งทำให้มีแจกใจขยับความภาคเียนขึ้นไปเรื่อย ความเด่นความตกความเด like mm ่นรวงของจิตก็แสดงขึ mm ้นให้นเห็นชัดๆนี่เด็กบอกซึ่งถ้่คยเห็นคุณคงไม่เปยห็นโทษของมันก็เริ่มเห็นไปเรียๆรรดาเคยปฏิบัติมาอย่างไรจิตมีความสงบเย็นจิตนั้นมีสองจะเป็ส่วนมาก 95% ้าสิบห้าเอร์เซ็นจะมีความสงบเย็นนิงธรรมดา ให้น ข, ข, ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นี่เป็นภาพโดทั่วไปของผู้ปฏิบัตินี่จะนิจสจะนิสัยของคนเราส่วนมากเป็นอย่างนั้นห้าเอร์เ็นั้นมีความผ่านพ้ดประเภทนี้อยู่มากถ้ารวมก็รวมอย่างรวดเร็วเหมือนคนตกเหียวตกบอก่อลอยลงไปแล้วแคนพี่จะอยู่กับที่ถอนตัวออกมาหอเิน ดุนทะยานขเมฆขึ้นหมองเมืองฟ้ามองสวรรค์ น, นรกดีกี่หน่วนไปได้มีอสองประเภทประเภทนั้นต้องอาศัยครูอาจารย์ที่มีความจมิตทางานช่วยจริิจไม่นั่นมีทางเสียได้ประเภทห้าเปอร์เซ็นส่วนประเภทเก้าห้าเปอร์เซ็นไปด้วยความ ญาติธรมราธริยมไม่น่าเหลื่อมตัว เ, ตเวลาสมงบก็ให้ปล่อยให้สงบพอถอนขึ้นมาแล้วควรจัการพิจรารณาอย่านอนใจการถอนถอนทิ่เด็ทุกประเภทถอดถอนด้วยปัญญาทั้งนั้นไม่ใช่ถอดถอนด้วยสมาธิสมาธิเป็นเพียงคำที่เด็ดให้สงบตัวก็มาเหมือนกระพุ่มตัวของทีเลสเข้ามาเแล้วแต่เราไม่พลาด มันก็มันตายสมาธิอ่อนเมื่อไรพี่เหล็กก็ฟงหรืออารมณ์ที่รุนแรงกว่ากำลังของสมาธิก็ทําสมาธิให้พุ่งได้นะแต่ถ้าเป็นปัญญาแล้วจะเข้าใจไปโดยลาหนักพี่เหล็กค่อยด ห, หน่อยไปเป็นวักเป็นตอนเลือกไปนี่คือวิธีที่เหมาะสมอย่างจริงการปฏิบัติไม่น้อนช้า ไม่ติดสมาธิด้วยซึ่งทำให้ดินช้าเวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญาความถนัดจัดเจนในทางใดตามประดิษนิสัยให้เรา ถ, ถือเอาความถนัดทั้งหลายที่จะต้องพิจารณาตามอาการานั้นๆที่อยู่ในวงสัจธรรมอันเดียวกันแล้วกระ จ, จายไปหมดเมื่อเข้าใจอหนึ่งแล้วก็ซึมซาบไปตัวถึงกัน กำหนดดูบังคับใจของเราให้มันอยู่ในร่างนี้แหละเวลาให้มันอยู่ในร่างให้มันอยู่จริงๆเพราะร่างกายนี้เป็นรั้วเลยะเอาหนังเป็นรั้วบังคับกิตแล้วทำให้เที่ยวในหนังข้างนอกหนังข้างในเราะเรียบรั้ว่อยู่นี่ยแล้วก็เข้าวงในของรั้วได้แก่ร่างกายส่วนภายในดูเนื้อดูเอ็ดูกระดูกใต้เสน ดูขึ้นไปข้างบนข้างล่งด้านขว า, างสถานการณนี้ตั้งแต่ความปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นถ้าพูดถึงเรื่องวิชะหรือปฏิกูณถ้าคือเรื่องเรื่องหนึ่งขาดมันก็เต็มไปด้วยขาดมันไม่ใช่ดาวไม่ใช่ของอดับเลี้ยงพระองปฏิูุณมาเป็ของสวยของงามตามความเสศสันต์ตัญนยอของกิเลสซึ่งชอบเสกสรนต์ตัญนยชอบกิเลสเป็นตัวปลองเห อะไรที่จะเข้าเข้ากิเรลสได้สิ่งนั้นต้องปลอมความสวยงามนี่ก็คือของปลอมไม่ใช่ ต, ตรงตามความจริงความจริงอย่างแท้จริงแล้วสวยงามที่ไหนร่างกายของเรามีส่วนไหนที่สวยงามนะครับท่านทราบแต่มันไม่มีมีแต่กิเรลสมันพาเสพสังเกตปีนเดียวกับธรรมของวัตถุจักจิ่งเป็นความจริงแล้วผลก็คือทําตัวให้ทุกข์อยง่ท่านเองการพิจารณา ึงต้องบังคับจิตให้ยังไปตามอริยวัวตต่างๆซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วทั้งด้านอริยภารทั้งด้านหรือท่านด้านธาตด้านอนิจจังทุกขังอนัตตาตามจากความต้าจิตอุพากา็อุพาก็เอาพิจารณาซูออกจากสุภาแล้วประโลเป็นธาตะมันนัเป็นทั้องมันเ อ, เนเองแล้วย่อไปในไตลรลักใดก็ได้นิจตังหรือทุกขงังอนัตตาหรือทั้งสามมันก็วิ่งถึงกัน เรียกว่าการคิดณานาด้านปัญญาเมื่อพิจารณานี้ทำนีน้ความดุดดือมที่จะต้องพิจารณาภายนอกว่าเป็นเพื่องประกอบเทียบเทียมกันจะเป็นร่างใดรูปแบบก็ตามก็มาพิจารณาแบบเดียวกันนี้ได้สัดได้สวนท่านภายนอกคาไหนแล้วจะหลงไปไหนข้างนอกก็เหมือนกันกับนี้ข้างนี้ก็เหมือนกันข้างนอกหลงไปไหนงมเงาไปไหนนั้นก็สมบุกตัวข้างในอยู่ด ความความม่งสวยว่างามมันเบาลงไปความละเมอเพอ่ผนฝันไปในความสวยรำงามที่เคยเติมมามันก็ะระงับลงไปเรื่อยๆพิจารณาดันชั้นสักๆจนเต็มที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนหายสงสัยไม่มีที่นี่รับแลวการถอน ความยึดม่สําคัญจิตอันเป็นตัวจำปองนั้นมันก็ถอนเข้ามาเีงเรื่องาน้าแห่งปัญญาที่พิจารณาเห็นแจ้งพัดเห็นแล้วน่ะเรียกปัญญ า, าพิจารณาทางด้านปัญญาพอสมควรจิตมีความเมื่อยล้าหนักหน่วงกัดท่อจิตทํางานการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คืองานของจิตงานคุ้ยเหี่ยขุดค้นที่นี่พิจารณาเหมือนกับทั้งฟากทั้งฟันทั้งขุดทั้ง แบบทั้งหานื่อยนี่คือพวกรานของจิตเวลาทําไปนานๆมันเหนื่อยมันก็หน่อยทํางานแล้วก็เหนื่อยพางธาตุขาหนีเหนื่อยแบบหัวใจเหนื่อยร่างกายไม่เหนื่อยไป่จิตใจเฉยเอาเข้าพักสมาธิกำหนดทําบทใดบทหนึ่งเท่านั้นเวลาต้องการจะเข้าพักให้จิตอยู่ในบทแห่งทำบทนั้น ไม่สนใจกับอันใด น, นอกเหนือประจากบททำพิจารณามาบริกรรมเพื่อเป็นเครื่องยึดหรือที่เกาะของจิตให้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวแล้วก็สงบตัวลงไปทาบริกรรมนั้นก็หมดปัญหาไปเพราะจิตสงบตัวได้แล้วด้วยความรู้อันเด็ดและสงบตัวอยู่ตามตกลงจิของผู้มีจิตสงบหรือจิตตัว มีกำลังแล้วถอยออกไปอีกเหมือนกันแต่อย่าไปคาดจะหมายเวลาที่เกิดมาจะให้เป็นอย่างนั้ น, น, นจะให้เป็นอย่างนี้นนนยงคาดไหมต้นแล้วให้จับงานวงปฏิบัติจะให้เงินค่าพิจารณาเลยืไปมีวิธีการทีเจะทำอันนี้พูดเพียงเป็นแถวเป็นแนวไม่สำหรับผู้ปจิบัติ ได้ยึดเอาแง่ไหนคอยตามปฏิบัติต่อตนเองโดยจะดิบยิ้มใส่ของตนเองหากรู้วเห็นขึ้นมาก็ให้เป็นสมบัติของตนเองอุบายวิธีการพิจารณาก่อนเป็นอุบายของตัวเองโดยอาศัยอุบายกันหยิบยื่นให้เพียงเนื่อนสองเนื่อนเท่านั้นเราไปตีแข่กระจาไปเป็นเรื่องของเราเป็นตริตรใสัยเป็นความเฉลียวฉลาดของเราเองพิจารณาไม่มีสิ้นสุดเรื่องไป ถ้าิเรศไม่สิ้นสุดไม่หมดไปเสียมา อ, อุบายของปัญญาที่จะตามคน้นคิดที่จะเกิดขึ้นเพื่อแก้ี่เหลศเพื่อทางานที่เหลรศนี้ก็มีปมมไปเดยไรหนักหนาถ้าถขั้นจะตีปัญญาปนมมาแล้วนั้นเราไม่ต้องพูดเรื่องที่จะผลักใสปัญญาไปให้ทํางานนอกจากจะได้ล้างเอาไวา้ให้ข้อมือตัเป็นเกลียว นี่ิดเหนื่อยเหน่ว ย, วยร่างกายก็เพียพ์ก็ไมไ่หลับไม่นอนติดไม่พอใจในการนอนแต่พอใจในการฝึกการค้นตัดฟันทีเด็ดประเภทต่างๆโดลยลนะเอียดเพื่อความรู้แจ้งเห็นทีเดีวยวถ่ายเยอะเาไหร่มีเราก็ต้องเลยข้ามปิดไม่เลยเผดไม่เลยความพอดีร่างกายทํางานก็มีความโดดเหนื่อย ต้องพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารให้เป็นกำลังของกายเพื่อควรแกการงานอีกต่อไปเอเมอีความอ่อนเพลียเพราะการพิจรารณาค้นคว้าด้วยธทรปัญญามากก็ต้องเหนื่อยแล้วต้องพักทักของความการพักของจิตนั้นพักด้วยสมาธิภาว น, นาจิตสงบนี่คือความถูกต้อง นั่นจะเป็นไปพบความร่าเรื่อหอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินเพื่อนแสดงผลของการปฏิบัติไม่ทรและให้เพื่อนอยากให้เพก่นรู้เห็นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ว่าอยู่ที่ไหนใครจะเป็นผู้รู้ใครจะเป็นผู้พิจารา ใครเป็นผู้ตัดฟันกิเลสกิเลสอยู่กับผู้ใดว่าคำว่ากิเลสดับไปดับไปได้ด้วยเหตุผลของกายดับไปยังไงดับด้วยวิธีการอันใดให้รู้ประจักษ์ตัวเองตัวเองเอาเองดีกว่าผู้บาดการพูดเป็นไหนนักมีเป็นภาพปฏิบัติของตัวเองอยากไปสนใจกับเรื่องโลกเรื่องสงสาร เปเรื่องของทีเดืทั้งหมดทีเดืดนี้เคยอกอความทุกข์ความทรมานให้เรามามากต่อมากนานแต่นานแล้วไม่น่าสงสัยว่าเราจะได้ดิบได้ดีมีความสุขความเจริญเพราะทิ่เลือดถูกลากขึ้ยึดเพราะความเชื่อตามทิเดือดถึงคำหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าซึ่งแต่ก่อนก็เป็นขรั้งที่เดืดเหมือนสัตโลกทั่วไปผลที่จะคุณได้รับจาก กิเลที่ผิดขึ้นคืออะไรบ้างพระองค์ก็ทรงถาถามรับรู้มาโดยลํดับลดับหากจะพระเสริฐเพราะเรื่องของกิเลสแล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่ทรงสแสวงหาโมกะธรรมเพื่อดนอันหลุดพ้นจากกิเลสและเป็นความรู้สิกที่เจ็บขึ้นมาจะต้องมั่วสุมอยู่กับโลกเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไป พื่งนำภัติของพระองค์มาพิจงงารณาเยียดเสียงเป็นภัติเตือนใจตัวเด็กทั้งอี่เป็นมานี้ใครก็มันมีสงสัยแล้วในเรื่องของกิเลสใน่าความโลภใน่าความโกรธหรือความหลงราคะตัณหานั้นแสดงผลออกมายอย่างไรบ้างพอทราบพราะเคยกันมาหนมหา อันนี้เป็นสิ่งที่จําเกลือเกิดอยู่กับติดใจฟังอยู่กับใจเป็นประจำไม่มีเวลาพักคร่าจากอันเดยแม้ขณะหลับก็เป็นเพียงที่เหลืสอสงบตัวเท่านั้นไม่ออกทํางานเราหลับที่เหลียอ ก, ก็ก็สงบตัวพอเราตื่นที่เหลือ ก, ก็ตื่นเฮ้ยเราจะเรียกว่าเราหลับในขณะที่เราหลับที่เหลือ ก, ก็หลับไม่แสดงตัวหลักชนิดนั่นคือกี่เหลือ ก, ก็หลับกันนอนห น, นี่เราแยกไปจากความสนุกของกิเลสในขณะที่หลักบสนว่ากิเลสหลับสนก็ได้เพราะเราตื่นกิเลสก็เริ่มตื่นและเมื่อตื่นแล้วกิเลสจะเริ่มออกตามถวา ย, อ อ, ยวาวาออกเที่ยวหากินกว้างเที่ยวหากว้างอาหารในที่ต่างๆออกทางตาออทงตาทงหูทางโนทางลิ้นทากาย รุ่ทิศอยู่ภายในจิตใ จ, จเป็นธรรมารุธรุ่นแรกตั้งแต่ยีเดททางานของมันนี่เป็นปกติของสามัญชนเหมือนกันหมดไม่มีข้อยกเว้นถ้าไม่มีจิตไ ม, ม่บริสุทธิ์ยัตราบใดเราจะไม่เห็นความอิสระของจิตกลับมาโรงงานของยิเดยทั้งวลก็คือจิต ทำงานอยู่ที่มันทางออกเข้าออของกิเล็กก็คือตาหูจมูกิ้นกายจ ต, ตาหูจมูกจีมกายใจเป็นที่ทํางานในขณะเดียวกันเราพยายามเอาตาหูจมูกิ้มกายใจเหล่านี้ให้เป็นทางเดินของธรรมให้เป็นที่ขิดอัดขิดธรรมขิดมะขุไม่ิทาน ข, ข, ขึ้น น้านที่นปฏิบัติทำอยาเรียกว่าเราจะเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทํางานภายในเปลี่ยนพูดออกสแสวงหาไรายได้ภายนอกทางตาทางจิตวิญญางกายทาออกอยนี้เห็นอะไรพิจารณาเป็นธรรมได้ยินสิ่งใดพิจารณาให้เป็นธรรมเพื่อ การถอดถอนตัเวเองถ้าหมดไปนี่เรียกว่าทําออกทาําลายผลที่ทําออกทํางานก็เป็นความสุขยี่งเรียกตอบทำงานเป็นความถูกกว่าอะไรเข้ามามีแต่ ย, ยาพิษทั้งนั้นเท้าลงที่เท้าลงจิตใจให้เกิดความดับตอนไม่มีเวลาเหนือดาบอื็นข้าวสาบาดเย็นไม่เลือกชาติชนะถานะใดๆทั้งนั้นนี่เรียกวาการเหยียบย่ำ ท, ทำาลายเยหมือนกันหมก เราพยายามเปลี่ยนสถานที่ทำงานเขาคุอจิตตรงนั้นแหละแต่ผู้ทำงานภายกิจให้เป็นธรรออกทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นอาการของสติของปัญญาอิดออกไปถึงไหนสกิปปัญญาตามต้นตามพิจารณาให้รู้เหตุรู้ผลเรียกว่าเปลี่ยนผู้ทำงาน เตียนผู้ที่ออกเดินอางานภายนอกเป็นทาไปทั้งหลดด้วยความนะมัดระวังทุก์ก็ยอมรักอย่าเอาคำว่าทุกข์มาเป็นอารมณ์เรื่องจิตขวามจิตใจจะทำให้ท้อแท้อดแอรซึ่งเป็นเนื่องอุบาคุณมายาของอีหลอกเบื่อทำแล้วไม่ออนแอถ้าทาแล้วต้องเหยียดดั้ดเนินตัง ถ้ากิเลสแล้วหาเหตุผลไม่ได้เพราะมันไม่ชอบสิ่งผลไม่เคยสนใจต่อสิ่งผลเป็นไปตามความอยาความต้องการของผมเท่านั้นเป็นสิ่งที่ทกิเลสต้องการนรืเป็นทางอื่นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอวัยวะชีวิตจิตใจของหมันถ้าเราจะพูดอย่างนี้ก็ผูด้ได้ไม่ว่ากดว่าแท้ของกิเลสประเภทใดมันเหมือนกันนี่หมด แล้วเราจะสงสัยที่ไหนโลก น, นี้ในพิจารณาที่ไหนนี้วิจัยใดต้องหมือนนธาตุขานั้นใดที่อำนาจของกิเลสผลิตขึ้นมาเป็นวิบัตเป็นรูปเป็นกาเป็นหญิงเป็นชายก็ผลิขึ้นมาจากกิเลสเป็นตัวเยมีวิบัติดีชั่วติดตามมาด้วยก็ไม่พ้นที่มีความทุกข์รังของทุกเรือนของทุกจะนอกเหนือจากการได้ยิน บ้านเรือนตึกห้างตัดไม่ใช่ที่อยู่ขอทุกเนีย่ยบ้านเรือนคือร่างกายของเราเนี่มันเป็นที่อยู่ของทุกปีกิจทุกทีกท่ตร ง, ง, งนี้ทุกสัตว์ทุกส่วนไม่เว้นนอกจากผมกันนั้นแหะตัดออ ก, กมันก็มันเจ็บนอกนั้นมันเจ็บหมดแม้แต่เล็บมือมันก็เจถ้าส่วนไหนมันตายไปแล้วมันก็ไม่เจ็บเท่ามือเลยนี่ยิงว่าเรือน่ ความทุกข์ทั้งหายเลี้ยวกองทุกขันทะแปลว่าหมง่อาจจะแปลเป็นความสวยงามอาจจะแปลเพื่อเอาความจริงความจังเพื่อรู้เหตุรู้ผลเพื่อรื้อถอนพิเดเพื่อเห็นเหตุเห็นผลแห่งความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ขันทะแปลว่ากองกองอะไรก อ, ไรองทุกข์น่นอะไรมันกับทุกข์ด้วยกันรูปปั้กับทุกขังอิ น, นิตังนาตา เวทนากิดทุกครั้งที่จังรัต่างเหมือนกันญญทั้งายาทังขานยินญันเกิดจังทุกครั้งรัต่างเหมือนกันมันจะไม่เรียกว่ากองทุกได้นี่ทั้งห้ามันก็มีทั้งตัวใจมันก็เป็นเรือนของทุกถ้าสติปัญญาไม่สามารถที่จะชะล้างขับไล่กล่องทุกอันเป็นผลของกิเดชผิดขึ้นมาให้หมดไป แล้ว ใ, ใจก็คือกองทุกข์อยู่โดยดีตลอดกาลไหนๆใจจะไม่พ้นจากกองทุกข์ใจจะหาความสะอาดหมดจดหรือบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการชำระสะสมการทรัพย์ครอบความช่วยเหลือสแต่ของคือสติปัญญาเราจะหาทางพ้นทุกข์ในลาเพราะฉะนั้นเราเป็นธุรับิจชอบเราเมื่อทราบแล้วด้วยเหตุผลอย่างถ้าถึงเราจะรอได้อย่า จะมาปล่อนแต่ที่เหยียดมักง่ายได้ยังไงจะพ้นเราก็ต้องพยายามแบบว่ายให้จนกระทั่งชีวิตาาหาไมหมตาก็ตายด้วยความแบบว่ายไม่ตายให้พ้นถึงฝั่งแหงความหรือพ้นถึงสั่งแห่งนิพพานสมความเป็นลุกขิตก็ถาวไม่สงสัยในเรื่องโลกนี้ซึ่งเป็น แดนแห่งตัด่าความเกิดตายเต็มไปหมดอยู่สถานที่ใดถ้าลงมีแดนแห่งความเกิดเจติตายอยู่แล้วเราจะหวังความสุขที่จะเป็นที่ขึ้นใหความพาดคะเนนความเดาไม่ใช่ความจริงความรู้ประจักษ์แจ้งในธรรมทั้งหลายทั้งอนิจจังทั้งปุจจคังทั้งอนัตตาครอบโลกธาตุนี้เป็นความจริงเราไม่สงสัยเมื่อคิดนาถึงขนาดนี้หาสงสัย แล้วก็านัาสนุกที่จะประกอบความภักเพียรสนุกที่จะฟากฟันทันไหนครับที่ยังไม่ทิดชีวิตจิดใจจะเป็นจะตายได้ดีกระาการขอให้ดุจพ้นเท่านั้นนี่เมื่อประมวลกำลังมาจากการพิจารณาโดยทางปัญญาอย่างชัดเจนดังนั้นกิจต้องมีกำลังกาลังใดเป็นเหนือกำลังของผิดไม่ในโลกนี้ กำลังของจิดเป็นสมผัสกำลังใดความเฉลียวฉลาดใดต้นเหตุปัญญาก็ไม่มี เ, เกันต้องพยายามิดให้เกิดให้มาขึ้นยาอ่อนแอดูอยอยาบดใ่จะขบจะฉันกับปัจจัยชนิดใดอยู่อันยาลืมการทำงานของตดยาลืมตัว มีสติคกับตัวสมลิ้นก็ไม่ดีบไม่ดิ้นท้องก็ไม่ใหญ่ไม่โตเกินเกินมนุษย์มันาเพราะ ท, ท้องมีธรรมท้องมีผู้กำกับลิ้นปากมีสติปัญญาคอยกนกับจะเป็นลิ้นปากที่เหมาะสมกับการเลี้ยงที่พงศงสนเหมาะสมกับเป็นที่ทำงานเพื่อร่างกายและความเป็น และเพื่อการบำเถึงทำเรื่องความพึสบายโดยไม่มีกิดิตสัญหาประเทศใดๆเข้าแทรกสิงในขนาดนั้นๆไปเลยเนีย่ความมีคติมีปัญญาเป็นอย่างนี้การพิจารณาทุกสอกทุกหมู่จึงจัดว่าเป็นผู้หาความสามาม่เช่นะนั้นจะเอาตัวกันนี้รอดความสามารต้องขึ้นอยู่กับความชอบคิดพิจารณาแต่ย้อนหน้า ย้อนหลังคลิกแทนง เ, เปลี่แปงหลายสันหลายขบเช่นเดียวกับกิเลสมันเป็นตัวพลิกแปง เ, เปลี่ยนแปลงหลายสันพันหน่แล้วพระจิปัญญาก็ต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้เสวยความสุขตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้จากพระไตกัมมาโพธิจากีิทรงมุ่งหวังประอยู่์สั้งโลกรับความสุข ความเจรินทางด้านจิตใจอันเป็นสำคัญกว่าโดยทั่วกันเจนกระทั่งถึงหลุดพ้นจากทุกโดยทิ่เฉยถึงควา ม, วามสุขอันสงบเราเป็นมุกสิทธถาบัวความพึงดําเลยถึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใหญ่อยู่ภายในจิตใจ ย, ยิ่งกว่ากิเลสที่มันแอกแสงภายใจิตใจแล้วเป็นใหญ่เยียบยามทาลายเ อ, อยู่อเอย่าได้หลอนใจ เดาเลยนะเนี่ย